ศรัทธาวิยาสติสมาธิและปัญญาตั้งขานี้ที่ได้อบรมจนถึงเป็นใหญ่คือศรัทธาขอเป็นใหญ่เหนืออสัทธิยาคือความไม่เชื่อ ดังที่ติกล่าวแล้ววิริยะก็เป็นใหญ่เนื้อความเกียรครานไม่ผาดเขียนปฏิบัติดังที่ติดกล่าวแล้วในของวิริยตะสติ ใหญ่เหนือความหลงลืมสติสมาธิก็เป็นใหญ่เหนือความฟุ้งซ่านเป็นต้นหรือจะเรียกว่าเนือนิวรณทั้งห้าก็ได้ ความฉันความพอใจน้าใครในกามปิยบาตความโกรธจนถึงไม้ล้างพลาญทำลายทีนมิตะความหงุดหงิดเรื้อปุถจักอุจจักความฟุ้งซ่านลำคาญ วิธีกิจ้าความเครือบแครมสงสัยนังเลใจไม่แน่นอนสมาธิอบรมให้เป็นใหญ่เหนื อ, อนิวรณเหล่านี้ดังที่ตรัดไว้ว่าสงบสงัดจากกามจากอากุศลธรรมทั้งหลาย ได้สมาธิได้เอกคตาคือความที่มีอารมณ์เป็นอันเดียวและปัญญาก็อบรมจนถึงได้ปัญญาคือความรู้ที่เนื้อ ความรู้ผิดหลงถือเอาผิดต่างๆเป็นความรู้ที่เข้าถึงสัจจกคือความผิดจนถึงขั้นที่เห็นเกิดดับอย่างสูงว่าที่เป็นถึงเป็นอริย ที่เจอะแทงอวิชชาความไม่รู้หรือความรู้ผิดความหลงถือเอาผิดต่างๆได้ทำให้ถึงความทุกข์โดยชอบได้ ญาณดังนี้จึงเป็นปัญญสีสมาธิดังที่กล่าวนั้นจึงเป็นสมาธิสีสติที่กล่าวนั้นจึงเป็นสตินสีวามเพียนที่กล่าวนั้นจึงเป็นวิญยินสี ศรัทธาที่กล่าวนั้นจึงเป็นสถินสีการอบรมปฏิบัติให้มีศรัทธามีวิิยามีสติมีสมาธิและมีปัญญาดังที่กล่าวมา เป็นข้อที่พึงปฏิบัติอบรมไปโดยลำดับให้เข้าทางของศรัทธาเป็นต้นตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนไว้และเมื่อปฏิบัติให้เข้าทางดังนี้อยู่เรื่อยๆแล้ว ทั้งห้าข้อนี้ก็จะมีความเป็นใหญ่เหนือนกิเลสอกุศลธรรมที่ตรงกันข้ามได้ไปโดยลำดับอย่างนี้แหละคืออินทรีย์อันเป็นข้อสำคัญที่ผู้ปฏิบัติทมทั้งหลาย จะพึงปฏิบัติในธรรมะทั้งอกั้งาข้อนี้ให้เป็นใหญ่เหนือชิเลสในจิตใจของตนต่อไปนี้พลังธรรมปัญญงบสุดต่อไปบัดนี้ จากแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกๆท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระพูมีพระภาท อาณาหันและสมมาสรตพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจศิลปพระองค์พร้อมทังประธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสํารุงกายวาจาใจให้เป็นศีลทำมสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรม ได้แสดแงโพธิปัจจียธรรมมาโดยลำดับซึ่งประกอบดว้วยธรมธรมะเจ็ดหมทหมทที่หนึ่งอริปทานสีโมดที่สองสมปทานสีโมดที่สามอิทธิบาทสี หมดที่หมดที่4ีกินสีห้าและจะได้แสดงหมดที่ห้าคือพละก้าพลัก้านี้ คือกำลังหรือพลังห้าขอมีชื่อเช่นเดียวกันกับอินทรีหาคือหนึ่งสัทธาพละกกำลังคือศรัทธา วิริยะพละกําลังคือวิริยะความเพียรสามสติพละกําลังคือสติสี่สมาธิพลกําลังคือสมาธิห้าปัญญาพลกําลังคือปัญญา และธรรมะหา้าอันนี้ก็มีอธิบายเช่นเดียวกันกับอินสีห้าประทานั่นมีระพุทธอธิบาย ว่าความเชื่อความรัสละรู้ของปัตตถาคตพุทธเจ้าและกาอธิบายเพียงตรงนี้ก็มี บางแสงตัดอธิบายว่าเชื่อความกระตืตรูรของพุทธเจ้าตามพระพุทธคุณทั้งเก้าหมดนั้นก็มี จึงจะอธิบายเพิ่มเติมในขอ้อศรัทธาที่เพียงว่าตราพุทธคุณตังกาวหมดนั่นเมื่อย่อลงก็เป็นสามคือระปัญญาคุณ คือความรักกรูปจริงบริสุทธิ์ที่คุณคุณคือความบริสุทธิ์จริงพระกรุณ า, าคุณคุณคือพระกรุณ า, าจริงกับคุณทั้งสามนี้ได้มีในหมดส่วน หลังทาวัดเช้าคือหลังจชย์จะดูดีพระพุทธเจ้าจระทำาระทร ง, งคือบทว่าบุทโธสุดสุดโธกรุณามาหันดาวโบุตรโธ ราภูทรจะรู้แล้วแสดงถึงพระปัญญาคุณวิสุทธโอราภูบ ร, ริสุทธ์แล้วแสดงถึงพระวิสุทธิคุณรกรุณามหันโนมีตักรุณาละพุ่งทะเลหลวงแสดงถึงพระกรุณาคุณและในบท นอบน้อมบุชาเจ้าที่สวดนำหรือคิ ด, คดพิจารณาขัภาวนาทางจิตใจ นำด้วยบทนโมโโตัสสะภังกวะตโตอาราโตสมะตมุตัสสะซึ่งทุกคนย่อมสวดกันได้ถือเป็นบทสวดนำ อันจะขาดไม่ได้ิที่แปความว่าหน้ามโมนอบนอมตัดตะตัวโตแด่พระภูมีพระผาดเจ้า ประชุมชนอาณาหักโตผู้เป็นพระอรหันควรไห้ควรมูชารับเป็นภูไกลี่เลน เป็นเป็นผูมบริสุทธิ์กายวาจาใจสิ้นเชิงสัมมาสมาธุตัสสะภูตัสรู้เองโดยชอบในบทนโมนี่ ย่ประพุทธคุณบทกว่าภะวะซึ่งเป็นหมดที่เก่าขึ้นมานำหน้าซึ่งมีความหมาย นี้แสดงถึงศักรุณาคุณนักจริงและก็มีข้อนี้่้าวโลกจิงได้รับประโยชน์จากความรัศดรของพระพุทธเจ้า ได้รู้ธรรมะที่ทรงสังสอนนำมาปฏิบัติให้ได้รับประโยชน์ตามอิปราตนาเป็นประโยชน์ปัจจุบันบ้างประโยชน์ภายหน้าบ้างอันเป็นไฟโลกิยะเกี่ยวกับโลก และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งย่านเรื่องปรมประโยชน์ที่นำให้คนโลกพุทธกิเลสกรอประคุณขอ้อนี้คือทรงจำแนกเียดทับสามพันประชุมชนหรือประมหากรุณากังองทะเลหลวง จึงได้กล่าวนมัตการยกอมละคุณข้อนี้ขึ้นเป็นข้อที่หนึ่งก็เป็นข้อที่ทำให้ได้รู้ธรรมะที่ตร ง, งสอนรามาจิฏิบัติ มีปฏิบัติชอบเพื่อผลดีคนชอบตามที่ทรงสั่งสอนและเราทำมาที่ทรงสแสดงและฟังแล้วมาปฏิบัติ ย่อมได้พบกับความบริสุทธิ์กายว่าจใจและทำได้มองเห็นว่าพระพุทธเจ้าผู้ประสาสดาผู้ทรงสั่งสอนนั้น เป็นภูมิบริสุทธิ์กายวายา่าใจใจทำมากที่ตรงตัวแดงสังสอนจึงเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ทูปฏิบัติให้เป็นภูบริสุทธิ์และน้ำไม่เกิด ขอรบพูชานำให้ตั้งใจถึงหรือเป็นบาจาถึงพระพุทธเจ้าก็ะทำกระส่งเป็นสาร ะ, ะคือที่พึงของจิตใจเป็นภูนำทำจิตใจ ให้ปฏิบัติในทางอันถูกต้องและเมื่อเป็นผู้ตามหรือพู้เจ้าคือปฏิบัติตามที่สงสั่งสนก็จำในความบริสุทธิ์การวาจาใจนำให้เคยความเคารพบูชา จิงมาถึงบทที่สองมาระตะหยิบมาจากคามาระหัสมันเป็นบทนนนนบที่หนึ่งในพระพุทธคุณกาวบทเล้าจริงถึงพระพุทธคุณบทวา่าสัมบาสมุทธัสัพูตสัตรุรเองโดยชอบ บทว่าอาณาโตนั้นกัวแดงถึงรูปีุุทีคุนในบทว่าสัมบามสัมพุทธะสัมบุตระ ป, รปรูตัสโรเองโดยชอบนั้นก็แสดงถึงปรับปัญญาคุนตรงกรบปัญญาคุณนี่ คือความรู้ทั้งหมดจึงเป็นความรู้ที่ไม่มีประมาณกรู้จบรู้จบก็คือว่ารู้หมดรู้หมดก็คือรู้จบ พรรคลึกษึ้ยังไม่ปรากฏแกผู้เริ่มปฏิบัติทีเดียวผู้เริ่มได้พบเห็น พระพุทธเจ้าหรือว่าเริ่มในรัองคามรรสรของพระพุทธเจ้ายังยังไม่สามารถจะเข้าไปในใครเป็นปัญญาคุณได้ การกุณนาจากพระองค์และได้ความบริสุทธิ์กายวายใจนั่นแหละจึงจะปรากฏถึงกับปัญญาคุณหรือเข้าในสายประปัญญุกับ ป, ปัญญาคุณองค์พระเจ้า พระองค์นเป็นผู้รัตรูจริงตัรตรูเองด้วยตัรตรูชอบด้วยคือต้องดูในคั้เห็นธรรมจ่งเห็นพระพุทธเจ้าเราเห็นความจรัสะรูของพระองค์นั้นเอง ดังพระพุทธภาษิติตรไวว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผูนั้นเห็นธรรมดังนี้จึงจะเข้าใครประปัญญาคุนของพระพุทธเจา้าและเมื่อเข้าใครประปัญญาคุนของพระพุทธเจ้าแล้ว จินจะได้สถาปความเชื่อที่ต่างมันนังที่บางเกิดความรู้สึกกำนักขึ้นในจิตใจตนเองว่าอโหบุตโธ พุทธเจ้าเป็นพระผู้ตรัสรู้จริงหนอะชาหุธรรมโมธรรมาเป็นธรรมที่ตัดดีแล้วจริงหนอะราโหสังโฆประสงค์เป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วจริงหนอดังนี้ เพราะฉะนั้นในบทน้่มองนี้จึงได้เริ่มด้ยบทสุดท้ายคือพรกษว่าิย์ยากินมาบทที่หนึ่งรอรหันต์มาบทที่สองสัมมาสัมบุทโธในรูปตะกุนกลางบทนั้น ทราบว่ า, วาไม่มีผู้คนดไม่มีผู้ทุกคนหมดว่าผักาวาแล้วเราทั้งหลายก็จะไม่ได้ทราบไม่ได้รู้ธรรมะแล้วก็จะไม่รู้จัก ร า, ารไม่รู้จักพระสมมาสมุทธ h